<rer ies> นโอกาสปณ้อ <dar> ัตมาภาพทั้งสมรูปอาจจะแสดงพระสธรรมเทศนาในเรื่องัญญาเลี้ยงไก่บะมีตขันอากอรสิเทศในนิท่านัญญาเลี้ยงไก่บะมีตขันอัตมาภาพภาสิขอสมมุติพระคุณเจ้าแตละรูปวัดพระองค์ุณท่านเตลารูปแตละดองค์นั้นอยู่ใสวัดบ้านได่รับนาทียังเพื่อเขาใจทั้งสองคำสองไฟ ปุราโตธรรมสาสเนนิสินังสมติชามิอัตมาภาพจะขอสมพระคุณเจ้าองค์หนังอยู่ตรงกลางสื่อเสียงเรียนนางของเกิดในทังพระพุทธศาสนาคือพระคู่มงคลชัยคุณวัดชัยมงคลบันแพงอัตบลแพงอาเภอโคสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเทศในเรื่องนี้กเกษมเป็นรับนาทีผู้เป็นลูกชายคือโสรัตตา หลังจากสมิพระุณนเจ้ารูปนี้แล้วองค์ทัดไปอาจารย์นพดลชันทสุโควัดสมภาวนาลามบ้านนองเหนตำบลนาโพอำเภอกุร่งจังหวัดมาสละคามเกษีพลับนาทีลูกสาวลาสวามาเลกาสยาเมวังอัตตนังสมรติชามิอัตมาภาพ เจ้าที่การประยุทธ์ย่าณสังวโรเจ้าคณะตำบลวังไช่วัดบ้านหัวนองตำบลวังไช่อำเภอบารบือจังหวัดมหาสาชามเทศในญยาเรียงไก่เมรีอัตมาภาปรับนาทีผู้เป็นเมสุวะเมจันเทียม่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาต่อไปนี้ขอเชิญชวนมวลเราชาวพุทธามกะทั้งหลายหญิงก็ได้ชายก็ดีจงตั้งโสตประสาของตนกล่าวแล้วคือฮูกี้อ๋ทั้งสอง ประดุดพาชนะเงินพาชนะทองคอยรองรับ ร, บรถพุทธพระสัทธรรมมเทศนาดังพระกุณเจ้าบริรับหน้าที่แล้วจะได้อลัมภ บ, บทพจนคาถาของตนเองสืบต่อไปโดยสัจจเคารบเป็นอันดีเถอด พุ่โยมเอ๋ยจังวันนี้ตอนนี้ขอจนโยมทั้งใคยโยมทั้งหลายให้มียมีไว้ก่อนเด้อในตอนนี้หันมาฟังนี่ท่านมีขตติปิศานาออกอ่างเสียว่างคอออกสั่งสอนถ้าหากเข้าถําดีเสียบ่เกิดเดือดร้อนทางความความเป็นจริงหญิงก็ดีชายก็ดายปวดรับฟังแล้วจําไว้นีท่านไก่ให้เปลียนไก่เห็นท่านตาเวาการง่ายเห็นมาไหลมาคลุนจังมาเวาเล่าสู่ฟังพวกลูกหลานทั้งสามโอ สงจังได้ภากันตั้งเป็นเนื้อเรื่องบ่เครื่องขาดถือว่าเปลี่ยนข้องวดัดปวดตาองค์คนสอนไววยาเหลียงไก่บ่มีโตขันอัศจรรย์ไดน้น้อบ่เหตุใดบ่หวั่นหูวหรือบอ่มีโตผูกง่อยค่อนขันจกเถื่อหรือเม็นมีแต่โตเมียขันบ่เปลี่ยนจังได้เบานอกข้นเ่าคิดอยากหัวเมื่อนี่โยกต้นขั่วแกงหรือออมสิเห็นกันขันบ่ขันโค้งสิเห็นอีกบ่โดนสิเหนเ็นแล้วขอเปิดแปลหู้แย่คุ้มแม่ท่านขันให้อยู่ปัทวรมาเลิศตน นี่แล้วเท่าแม่จันทีมาออกมาเว่าเบึงดูโยมค่ อ, คอยท่าดอกลาฟังคุณโยมเ อ, อ๋ยภูคานีมีน้ำวาจันทีมะมีบุตรีละบุตรตาไร้พำเพืเพ่อนแพร่งวัยผัวตายไปได้หลายปีแล้วเลี้ยงบุตรตาทั้งสองอ้อนตะวันสายล่อนล่อนเอินสลุกอ่อนหน่อยสองลาเบิงก่อนน้า โสรตะมลิกาเ อ, อ๋ยสวยเพียงง่ายแล้วพวกเจ้าอยู่ทางไดเม่มีกิจจำเป็นจึงเรียขานบ้านเจ้า วางปราจีนพัหันมหาแม่ประกันนรกลาเ อ, อสโอลัตา ม, มันลิกาเหตุอย่างอยู่นอดูสโสลัตตามันลิกาฟังบรรดาได้ลองเรียกนึกจาเนียรในจิตใจ ใ, จให้กังขาเรียบวางจิตจากมือที่ทํางานไม่ช้านานออกระเบียงพร้อมเพียงดีมันลิกาน้องนางเคียงข้างพี่แม่ใจชี้ให้ทําจิตชนิดไหนจงเฉลยความมาให้เข้าใจเชิญไม่ได้เล่าไปให้ลูกฟังเพิดแหมเอื่นงไอโสลัตากับมันลิกา ออกมาเมรีไม่เลื้องหยัง่งใส่ใส่ลูกใต้เต้าเซนติเมตรโสลัตมันลิกาลูกหล่าเอ้ยแม่อื่นเจ้าทั้งสองผู้สองคนมาเมรีลูกหล่าเอ้ยนับตั้งแต่พอเจ้าไตาไปได้หลายป่าลาปีแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าทั้งสองคนเงยเป็นบ่าวเป็นสาวขึ้นมาแม่ก็เลย อ, อยากอบรมสั่งสอนพวกเจ้าให้หูจักกันไปกันมารูจารูจักตํารููจักสูง หูจากลงรูจากป่าเห็ดจันไดเนาะสิเป็นพนดีของแม่ต่อไปแม่เป็นห่วังจนดอกลูกเออโอ้เออลูกทั้งสองออกมาเมื่อนี่แน้วสีใสสีสอยกับบอมีแต่วบอมีเรื่องสีบอกลัำซั่งสอนจังสันตละลูกกระบอกเป็นยังดอกแม่เอ้ยแนวใดมันดีมันงามกระบอกสอนลูกทั้งสองว่าลดลูสีตั้งใจฟังสู้ขอสู้ตอหน้าหน้าแม่ลูกละเอ้ยขันแม่เบาให้ฟังแล้ว เทมันดีดีกิเทมันทีทีการประพฤติปฏิบัติของแม่เจ้าของให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผููเป็นแม่ได้ดุลลาเด้อเออเป็นอย่างหลอกแม่เอยลูกสิดตั้งใจฟังสู้ขอสู้ตอนเนี่บอกมาเบิ้งสอนมาเบิ้งแม่ลาขอเชเลยเผยอ่างเปิดกระจ่างเป็นคำก่อ จะเลื่อนคอสวัสดีมูกะโยมทั้งขายบุญจันไหลจังได้มาหินนามาหลายที่ยังคือเก่ามาเจอโยมคือดังข่าวบ่ลืม เทิยนติ น, นสถานน้มาเจอกันตั้งหลายบานถือเป็นญาติในทางธรรมมาหวามงานถือเป็นบุญละขอประคุณที่จื้อพอสุขสบายดีบอคงสบายไ ป, ไปทุกสรามมาฟังทํามืมอเนี่ยจะเลิน่นมันมืนวั ส, สาเดือพอเดือดเม็ดเดื อ, ด อ, ด อ, ด อ, ดอ ในตอนนี้ฉันสี่ข้อก้าวเก่งในเหตุแห่งปริศนาเปิดอตำรามากาแต่ก่อนสอนเสียแต่บางเท้าขาคองตำลูก่อนกบะเลืองมันสมองผู้เขียนบางที่โอ้รูปูปัญญาตื่นขิดปอดทอง ขวาภัยเดือพี่น้องาถือเป็นเรื่องธรรมราเทนิตาปิศาอาณตองไปตามเรื่อง เ, ออเพียงแต่ฝูงคนเทาโบราณคานเวาวับยาเหลียงไก่ไวน้นนาตู่ขันจันนั้นบอมี เฮหรือว่าไก่เมติจึงมรมีบ่มีขานมันเปนปน้าตั้งแต่เดิมดาพูนบัดนี้มุญมาข่าวในดี้ต้านตามทองเลื่องายังมียายเม่มมาผัวตายแลวตั้งเตน เฮยูบปนกับเพื่อนบ้านเสียนยากยิงนาถควอมบุตราและบุตรตีได้ความเปลี่ยนแปลงไวผัวตายไปแต่ลูกชายยังหน่อยป่อยกาสันกันเสวาน้ำผัวตายลูกก็เป็นกำมพาตั้งสามพ่อบวมี เนียันที่มาอุกเต็มเที่ยวผัวตต้ห้างไรนี้นามตาฟังบ่มีหยุดได้ลัางลุกจนเต็มเบาพออยากเจ้ากินข้าวไปน้ำกัน ทานสิไตยกับเป็นวังลูกสองคนกันพี่น้องย่านขอเขาเพิ้นกีนํำคำเลีงมาลูกกะดันดันเด่น หายอาฮาบิราจันติมานังหูกังละตมยุมห่อยมิดเอ้อยๆว้าเอาบุตาก็มากว่ามความทั้งตัวลูกนอยบ่นันสาพอซม พ่อของเจ้าไป้าเพราะท่านตาขึ้นกาพากันหลับสายคำเพลงย่านมูแมวปุ๊บเป่าลู่หลับไปก็เลยสาวเคี้ยข้าวลางกว่ายังยืมคือได้เป็นกู้วาวเลี้งสาวกระซื้นใจพราอท้าอือ เจ้ามาป่าคอยไว้อยู่ให้แก้มุกกาบมีวันเวลาสิตางูขงึ้นคงเสือไก่ด่งไก่ามฝนตกเืนแกยังงูวักกับเตอาตอาต้อ บาดว่าเจ้าจากคอยเลื้อยบริไตเต่าจอยจากมะนาวเลห์หอนไปนอนข้างอยู่วางด้าากินฝนกันมากมายืนแหมมันเผื่ออยู่กลางดวงฝนตกลงไว้อําเพนผัวตากะเลืยจืนเจ้าสิจีนหรือสิยไปลบซ่อนพุ่นได้ บ่าวนาหัวลมมจ่อยจ่อยมีเพจตูหมอกนี่บ่นู ย้ำมะนาวหมกน้อยเสียหัวไปเฮีอนอดเอาหมูเสียงดาวเดือนนิดเสียงกระบองตาลูกกับเมียเสียนอะไรนั่งจาวบ่มีเบาวเออดอกเบญสวง เม่นนอนความกบ่ายเม่นนอนง่ายก็ยังวงอยู่เลิกบปล่าขานิ่แกวอยู่บนเ้าตื่นขึ้นมามือสาวน้อยมือของเจ้าคือเด็จากสารคืออยู่กินหลับนอนความกันแต่เข้านานลำจนว่าหัวขัดใจสารลำน้มตาเพอ โอ้แลว่าอึ้นขึ้นขนข้นขึ้นขึ้งขึ้นตึ้่ขึ้น้อ้นเก้นขึ้นขึ้นขึ้นขส้น้ คิดไปมาเป็นเงาเซีนเวทธนาหนักนอนบอดเต็มตาลับตื่นขึ้นมาเวลาเช้ายายฝ้าหงหาขาวอาหารกินพร้อมพามย้ำมลูกตื่นแล้วผักว่ายาลูกสิเที่วนับตั้งแต่มือนานจนมหอดมือนีสองน้องพี่ไว้กะนลง เฮาลวกตางต้องไซยิ่ยจะเลือนมาแล้วเนียวได้ดีเม่กาตาล่ะคำวันวันต้านตอบรัวผิดชอบทุกดานการในรัว เดลูกของฉันนับว่าพ่อใส่ได้ลูกผู้หญิงแล้วคู่แบารู้จากอาลุงตำสูงนั่งสอนได้เตะข้าใจน้ำเกว่าลูกซองคุณกันนองอี ญาณเลื่อมีประเพณียาณพื้นตีวสวัาสจึงถามเฝ้ารูปเจ้าของโซลตาอึ่ ยิ่งไดจังสีว่าถูกต้องสมกว่าป็นญาอพร้อมได้พิศาณธรรมให้ห่มมวามรูร้รว้จะลุงทั้งอ่าทั้งสามจูบอกมลิกาลูกแก้วเป็นสาวแล้วูบนุ หัวกึ้งสามนามสีนาเป็นนาที่สตรีเฮาบเบาเบ่งดูคนเดียวที่เมพาทิตานํามคาลการหัวก่อคําสอนที่เมเกาวโซลตามาลิกายขลุกแก้ว văng lèo hay chưa năn đọc na lục mè จำได้บ่อเมยจากหานสื่อว่าเป็นข้นผ่านทีอยู่ไสบ่มีรูหูจักต่าหูจักสูงรูจากกาหูจักวายสุละตะจะเป็นชายเจรูหรือว่าบา่อคาว่าลุงทั้งหาอาทั้งสามจำจีได้บนโนสุัตะล่องเเวสูเมฟังมา ก, านานกันอนุ克拉อนุสนธิประธรรมเทศนานาวโรกาตนปนีธรรมาภาพได้รับแล้วซึ่งความสมุดสัมปัญญาสันท า, านุมัส จากพระเดชพระคุณท่านซึ่งมีนามปรากฏในทางบรวรพระพุทธศาสนาชื่อว่าพระอธิการประยุทธ์วัดบ้านหัวน้องตำบลวางไยอำเภอ บ, บ่อระเบือจังหวัดมหาสา ร, รคามท่านสมุิให้อัตมาภาพรับตำแหน่งแสแดงหน้าที่ของโซรตะผู้เป็นลูกคายบัดนี้หน้าที่ของโซรตะได้มาถึงแล้วดังนั้นอัตมาภาพก็จะได้นาเนินตามบุคประโยช ข, ของตนสืบต่อไปใจความว่า คุแม่เอื้นว่าลุงทังหาอาทั้งสามลูกพ่อสีหูหูยุพระเพลินสอนบอกไว้ยม่านดาไทยก็แนะนําโสลตตาคอยพ่อจีจำได้ยู่ดอกที่แม่โสลัตตเอ๋ยขําแม่บอกแม่สอนจําจีได้บ่หลงบ่ลืมจักเถื่อจีได้ลูกหล้าแม่โสลัตตเอ๋ยหากว่าจําจีได้ก็ล่องทบทั่วให้แม่ฟังจักเทื่อกันนะข้ามเอ๋ยขําว่าลุงทั้งหาอาทั้งสาม มันเป็นปริศนาท่าแปลออกมาแล้วแต่ละคอแต่ละตอนมันแปลว่าจังไรเน่ลูกหลาลองทบทวนซูเมฟังอีกนลูกเอ้ยโอ้โหซูซูบอเตปากว่าจำชื่อได้น่เจ้ากับซูบเซียกับปเสียปนใดล่ะลูกหลาเอ้ยคอแม่เอ้ยขันจะบอกจังสันโซลตากาจีบ่อให้ฟังอาจจะมันบดถือ ขอได้พิษขอได้แม่จังคอยบอกสอนดูอีกที่หลังด้วยคุณแม่โซลัตาเอ๋ยหากว่าจะบอสูแม่ฟังแล้วหากคอได้มันบาถึงบาต้องแม่กรสิทบทวนให้ฟังอีกเธอดเด็กตุลาลองเบาเบิ่งขนาเสวยนี่เมัดเนีย นามาตัวผู้ขาตศาสตเสียนดอกงมือปลนมน้ำฮะเออพิชชอบได้ไกหโหดอกกเจ้าละตัวถึงฮะตลอดทกตัวเตาคุณแนแง่ภะไตาลาจงกำจัดไปมนัปนดอกบาปเป็นผูนิเว่นฮะ วันนี้เป็นวันแลมบูชากันข่อยเดชขาดข่อยสามาไต้ผู้ไทยแพร่ดอกผาปัเานเออประชาชนถูกหมู่บ้านในทรงชื่อข่อยรือสาคุณมีรามันดาม เออคุณมีดามันดาคุณกูบบาาจาย์ในเลี่ยมนำควายสูขคหามฮสแสดงธรรมวันนี้ให้มีใช้ควายสุกเนึ้กันได้ก่อยได้สมแมงปลาธนาฮให้คนลืออดฝาเทว่าวโลกมังบนแม่ใญ่เออ โอ้อยคนเรื อ, อฟามฮะเทวโลกว่าเมืองบนนอดเมืองคนดินมนุษย์ตลอดบาดันเต็ฮะใครอย่ามีมาตองดอกมันมันอย่ามาพาสาธุสาธุสาธุด้วยเทติขึ้นนาพอปันมาฮ เชิงสนามนิละนาสาหัสน เออเมื่อนี้ด้วยวาส ธ, ธาเจ้าของคุณโยมผู้เจ้าภาพคือโยมพอยโยมแม่บ้านแพงนี่ละหรือท่านหรือผู้เป็นได้ทราบซึื่ถึงเรื่องคอยบาปบุญฮะตลาดรุลนลุงได้เป็นปัใจจจยให้เพื่อแพ่ไอ้เจ้าโยมพอยโยมแม่ผู้เป็นมุดปอดเมีอ่นประสงค์ได้ตต่มพลังฮะ เออฉันความฐานะ้วยกองบุญทรงเดิยยมบ่หยุมแม่สมประสงเทิดทานมันใจตั้งแต่ยังเด็เที่สวรรค์ก่อยจาหรือไว้ขนในแผ่นก่อยทองคำตลอดนำความสุขถูกจกมีกันมาตัองหามหุมดังฟองจะเทียนบันนำกันกูช ม, มูผู้มาทำบุญมื้อนี้กูสนได้ ไวนดังไม้เนละนาสาฮัลท า, ายอนอมติหันมาเขาในนิทานตามนาที่ ฟังดีนี่าเลี้ยงไกล์ว่ามีตัวขันฟังให้ดีด้วยมุญาตพี่น้องดอกโตขาจิวาก่อนดอก เ, เ อ, อ่งเออบัดนี้ฉันจะไขรประตูทางกระแสธรรมันลำคาเป็นธรรมนองเทศนาหันจูตะบาลไป้ที่ไขาทางบน่นทิออ่ทำม อันว่าบ้าน้ำนี่มันหนักแป่นแม่น้ำมอยเลือกขออ่ยาวไกลดอกแม่เอือยแต่มันใส่ยินเลือกคันกว่าของงเราคงพวรฮะโน้มผู้มุลปิดการน้ำของฉันคงไหลลองอู้หโอ๊โอแอยแม่นม้ำมวยแม่น้ำเสีย แม่ลำพ้องโยมยังสามารถการดอกปีดไปเป็นเคลื่นแ่งดอกแม่เอ้อยนามนามมาว้านีบ่มีปุ่นบ่มีแรงอย่าแนงนายไก่ให้ดีดอกแม่เอือยยมฟังให้ดีนึกคุณโยมจังสิสมกะใจทานฮะ เอามาโน่เท่างฝังหลักลุงไงแจงแกงบุนละเดือยโยมปอยโยมแม่บานแพงเฮาเอ้ยฮะฝังไก่แจงแลี้ยงเป็นส่วนแจงกันไว้โกตาหน้าในหลังลุงฮะหนามทำมาว่านี่มันมาได้โคตขวงคือแม่หนาม่อยช่มุนดอกแม่เอ้ยเปียบคือบุญบลาเมียงเอ้ยเปียบคือบุญบลาเมีอย่างในชื่อตรงบ่าวขวงฮ ไปผู้ใจประสงค์แล้วก็สมวังเออโอ้ยไปผู้ใจประสงค์แล้ว ก็สมวังว่าแปะเปี้ยนบุญสิไลวนไหลเวียนเลี้ยงน้ำใจพวกมูจ้จอาเห็นช้ำอยู่บ่อเศ้าน้ำเลี้ยงพาสำมุงนี่ฉันสิว่ให้ไหลพันตามดวงเกีติดอกแม่เออเอ้ยโยมผู้ฟังไห้ควเจียรตเอ้ยโยมผู้ฟังไห้ครเจีติไห้อ่านต่องไปตามเรื่องฮะ นำ้ำเงองหลห้มทอนมาฟังกวนจะ่าวเยี่ยมเออโยมเออเชิญ้าชิมบังนำ้ำบ่อยอาจารย์น้อยเปิ่นปอนมาเชียงอาจารย์ประยุทธ์องค์เปิ่นรับหน้าทีแม่ค่อยหลดว่า น, นานเปิ่นหลดวันจูสาอุสาดิมแล้วหอมหวันดอกแม่เอืยอย ลวนโตตาวาทาวาดเสียงจำเนียงทานนะลวนวาดเสียงของหลานผักผู้มงคลชัยคุณวัดบานแพงวดัดไทยมงคลนี่มันคือเสียงนำสางฮบางที่จางบางที่คุณดอกแม่เอื้อขันเจ้าจิ้นแล้วปุณนทองวดพ่อกันพรนกหายดอกแน่นึง่ง เออเอาล้างหน้าก็ได้ไผยหยาบดอกสุสีไม่ใช่เอ้ย ก, ก่อยังมีคุณดีประโยชน์ดีนั่นเพราะเสงฮอุปมไม่วัวาล้านนีน้ำขาติออกมาอ่านไม่ใช่เอ้ยก้าวถึงตระกูลไข่หลุดเป็นจันทันน่ะเออก้าวถึงตระกูลไข่หลดเป็นจันทานอจองพี่น้องเป็นกํมพาพีดาตายจากแล้วมันดาเลียงจะไงมา เพ อ, อเดี๋ยวนี้สองไข่เป็นกัมพายจะเลื่อนไห่ไหว้ขน้องไม่ใง่เ อ, อ้ยู่จะกวองคุณโน่พ่อแม่ตนได้สอนเสียมนะแต่ว่าที่อ้ยแย่ว่ยยยยยยยยยยยยยย มันดาปุ่มปะลุ่มเก่าพึ่งยากูเรีงเหล่าปะเพ็นี่เข้ากันสรนทานพุทธองค์ฮคุณแม่เอ้ยโอ้ยคุณแม่เอ้ยแม่อันวาลุงทั้งหาทั้งสามลูกพ่อจิอยู่ดอกแม่เอ้ยพาพึ่ตจวนบอกแวนฮ เออพาเปิ้ลรวนบอกไปมันดาไทยได้ทวนข่อยฮอดข้องลุงท้งได้เจยจาตีนวงผูตรองนั่งฟังกระเสดได้เช่สินของงมถือฮเออได้เจ่สินของงมถือหรือว่าสิน่อยทั้งห่างฮะ แต่ป่านาถุลาร่วมเป็นหาผิดศนาเข้าใจปอบโอ้โหโอ้ยกันโนมปอยุนแม่เออกันโนมปอยุนแม่บ้านแพงเฮ้ยขั้นปูได้ได้ตื้นโคบดวนจีใส่เหลี่ยมก่อยคองงามมาดวนว่าที่สามนั้นเป็นอนทางันยิ่งใหญ่พระผืนสวรบอกไว้ให้เฮาปลุกใจ เออเกิดเป็นลูกผู่สายต้องมีธรรมประจําใจเิ้มแข็งคอยแนยวแ น, น่นฮะเจ้าจะเป็นตัวแทนครอบครัวเอยโอ้ยเจ้าจะเป็นตัวแทนครอบครัวเออให้เป็นไส่จริงๆกับปุ่นแห่ฮช่วยดีๆให้เขาอานความว่า้อยู่ของง อ่าหนึ่งหรือปวกกว่าแม่และปีนองในแจ้ปวกอาหารไม่ได้เอ้ยอ่ะ ยานเอวจินนันสำคัญกูสุวรนณนอคันขามฮะรู้จากคำรู้จากสางความนีเอ้ของนองเพียเดินยมเดืออาทิสามฮะเอออาทิสามพวกเขากู้หูดีเตะใจดอกไขว่ดอกเงินบานลวนเต้อะฮะคนของเขาเกิดขึ้นมาต้องมีบานพุมจะทานอาศัยอยู่อีแม่เอืออีพ่อ แม่แตะโกบอยู่ในหัวเออแม่แตะโกบอยู่ในหัวแม่แต่ปูยอยู่ธรรมเขาเงเงินตีอาศัยฮอาทิสามนั้นก็ได้เป็นก้อนนี้คืองานหลักดอกแม่เอเออาชีพคนบนเดียนฮะ เอออาจีพคนนั่นบนดินไควจินไปตามเพื่อนฮพูดเพื่อนดินไทยวายาจนทำนา อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ อ โ, อโอ้ยคูดพื้นดินไทยวายามทนทำนาเอากาอาวานอีแม่เอ้ยพ่อเอ้ยเจ้าจะเป็นพ่อข้าหรือแม่ข้าฮะหรือสุมพ่อปุยบ้านพออ่อปัดตัวมูนีต้องเพิงอาผู้นี้จังพ่อเลี้ยงดอกกบพวงฮะ ข้าคนเราทําดีอยู่ใส่น้อถูกกระเบ่อเกื่อกลัวใดมีอาจีบได้ทํากินดอกแม่เอ้ยตามแผ่นดินแหลมท้องปวดว่ามันดอกงั้งกวัางฮะ อาจีบคนทั้งปวงมันก็มีหลายหลด้านการหากินมีหลายอย่างฮแล้วแต่ไปสิเลือกเกดแต่ไปสิเลือกเฟนดอกจูดแต่ดอกแต้ใจฮะขอแต่ใบใส่ได้ถือคีดอคองคองคําสอนดอกแม่เออเอดอกบ่วเอ้ยเจ้าสิยืนเหนือยลือนอนน้ำเออเจ้าสิยืนเหนือยลือนอนล้วนแต่ถูกขไขทั้งเสียนฮะ คงได้ยินกันแล้วน้อฉันที่มาผู้เป็นแม่แจ้ให้ฟังวันถึกตรองหร bon ือกาดความงาแม่บ้นในจีลงไว้บบอกว่าลายแม่ยาย เป็นอ่างสิ่งหลายยิ่งแม่ที่โซรัตตาคอยบอกมาม่ามันถือมดทุกขอดุกตรุขอ้ขขอบ่แม่โสรัตตาเอ๋ยทิจจะบอกเมฟั่งมากถือปุสุ ข, ข, อ, ส อ, ข อ, งงดอดุจตรุด้อพ่อแม่โซลัตตาเอ๋ยทิจจะบอกเมนั่นนงมาีถือปุสุขอข า, ายจาปไปนั่น เจ้ากรบว่าตรองหน่อยเหนือตาใจว่ามข่อยจีปลาสิถิมเจ้าดอกแม่เอ้ยทีโซลต ะ, ตะได่ไงเป็นขู่เป็นคนอยู่เนี่ยก็้อนคว้มบอกควม้มสอนขอพอของแม่เมื่อไปยูไปผ้าผักนานั่นแม่เอ้ยฮัเจอโซระตะข่อยสีไปมีขอบมีขั้ว อ, อีลีนั่นข่อยก็จีเสีข้าเจ้าบอกเจ้าสอนนี่แะแม่เอ้ยเจ้ากร่ต้ อ, ตองอ่า เจ้าออกเสียใจดอกถึงอีพอว่ายังน้ำบุก่อยกระเลียงเจ้าไดขึ้นกันล่ะอีแม่ลุกหล่าเอ้ยค้าเจ้าเเวาในมืองนีหอดมื่อื่นอย่าลืมเลื่อนตั้งใจเคลืนมารดาอยากสำนให้ทนไว้ขั้นเจ้าได้มารดาทิ่มความตายกระไก่หมอขั้นพอเจ้าบ่หมอดเมียนกระไขบางเดือพผ้าตัวละลูเอามาเลกไกเอ๋ย นั่งอยบปากเบาเบาเป็นยังไงข้ามือแต่ยินเมย์กับไอ่บอกปลุกหลาค้าเมยบอกแมยสอนจำกีดาบอน้อมาเลกาบอกสู่เมยฟังเบอร์กนาลูเนี่ยเอ้ยข้ามจะบอกจะสอนมาเกาทกเาร์ูกคำมาเลกาใครที่จําได้สู่ก่อสู่สอนโยบเหลิกบปลื้มบอกเมยเจ้ากระบอกกรสอนหลาอันหลายเนี่เจ้าสีถามเรื่องไหก็อเมยบอกสอนเรื่องไบอก่อนเมได ข้ใดุ่กลาจำซันข้าแม่บอกแม่สอนก็บอกไม่น่าอื่นดอกข้าเอ้ยีบปานข้องเมืองผู้พผู้สะก็คือห่างสามกับนามสีมียังแน่หลาเจ้าค้องเข้ารูพยิงอันนี้หละแม่ถามเจ้าจาที่ได้บอกอ้ยากถามดังห่างสามนามสีเจ้าเคยบอกเคยสอนแต่หน่อยต่มางมันเี้มันจาได้บ่ปติรดังซันตุละลุกเอ้ยแม่เอ้ยเจอใด่จำด่โยนใจีบให้ใจโยบ่หลงบ่ลืมคือกันเข้าไปโซตานั่นแหะแม่เจอใด่โยใ้จิบให้ใจบ่หลงบ่ลืมคือกัน กับอวัติลูกเอ้ยขั้นจังสกับเผยควบในใจซูเม่ฟังกันนะคำเบ้ยคาว่าเฮิรนสากับนามสี่แต่ละคอแต่ละตอนแปลออกมาแล้วมันไมีควบหมายว่าจะเลยนร้องบอกซูเม่ฟังอีกตะเถื่อกรนารูว่าจืดอไรเสือเือกเอาหลดเปลี่ยน โอ้ยกระบอลาลูกหลาเอ้ยขยายความว่าเป็นกาเป็นว่าเป็นกาเป็นก้อนข้าใอญสุรตะว่าวาหนังหนวดตีดังสันตะลูกหลาเอาันเชีงสันกับฟั่งมาลิกาสีบอสูฟังฮาเต่มนลิกาบอสูเจ้าฟั่งแล้วฮาเตมันบอถึกบอดตองตามจะบอกจะสอนมากกระบอกมานลิกาไม่หนึ่งเด้อแม่เด้อกระบอกปญดกลูกหลาลองบ่มากกันนะข้เ้หากวันบอถึกบตองแม่กะสีบอสูเสนอตัวละมนลิกาลูกหลานี่ Cham cha. ศาสนานบ้าบวนนำเลือดเวรกันดอกการบานยูจิตการเรื่อนบวนมาทำบุญบ่าบวนตั้งจิตใจให้เป็ียนบุญขอสดาพระเพลองรรทำขอเทีสนา เจ้การที่เกิดท้ามหาศาลผลของเสียนของทานให้มาพูนพูนเพื่มเสื่อมพลิงให้เต็มตาบารมีให้การเจุ้สมเพียนพ่อพเพียนเมียพระลูกหลานที่เล่นวัง ให้แต่หมอนควันพัดทั้งนาเสียนไปเสื่อดเลิดลำขอให้เกิดอานิสงส์จ้วงจ้ำลือสมบวรให้เกิด ที่ทานมโนมาปณิทานดุวัวิญญาณให้รับดูให้น้ำอยู่สมสารให้ล้าไปถึงวันที่วาลกเมืองถึงสุขาวดีเด ฝ่ารู่จักอาวอาดุ้มตั้งสูงเสมอพียงบ้านว่าืงแสนนั้นเหนื่องันโมนางจำที่รู้จักวิ่งให้เรียบรลอยเป็นงเงาเดียมดอกดังไม้ ดวงเงินสองดอกนั้นน่ะการได้เกิรอกนั้นมดไม่เคยต่อในปัตตูสาตาเหลือล้น ที่สามคืองอนผู้วนานำจำในรู้จักบ้านรู้จากเลีงถึงยามเศร้าดอกยามเลี้ยงเตียงอาหารทำพราทันยนอมเตมีน เีกนามที่ปให้วหวงถือแบบยางบ่ไล่ปลานางจิตใจบ่ไล่ลาอุบาลิขันใจกวนเสื่อมใน c h m đây nam chiến tài nam, tài, đầy nam đầy chạy la nam tàu phụ nói r ằ n bỏ hai cửa khát n g n khát lêng à u l ù bọt la hai nà khoa cha nàng phụ phan đi cả chướng này xin ta c à n đưa, vắng cả tham hà xa lữ đ ằ n g xa tan phú huống b u bao cay cay l à y máu nhạt sôm chiên h o m đoạt m à y nến đèn yên men xứ h o a m u t n o b ạ t cái đèo cao hàm c ใส่ยังความความคือหนุ่มชู้พูสาวสาวความบุพาพกันดอกไม้เม็ดหอมได้กระบไกใหญ่ชวนความความนั้นน่ะไทยเนือและใต้คนดี เจียมีผู้พาีกบ้ารวงขวัญกันอนความหอังความนั่นน่ะอยาหอมไปได้ไกลกว่าหวมอเชื่นบาหวังมุ่งความคือเหนือแล่ใ้กันหวมได้คู่สุดทาง โยกเหตรปนมาก้าอ่างก็เมื่อวัดความนี้นะวุ่งนาให้โจดจำดอกคำขื่นยาขื่นเดือดคือตามขออังบุตรล้านบัวจุ่มจาเอาบ้นฉันฮะจูบบุตรกนมาลิกากวนุน้าไว้สันดี ที่นามจางคคยเต็ม ที่เจ้าเคยบอกเคยสอนมัลเกามากแต่กี่แต่ก่อนมัลเลกาวาวาว่าหนิมันถือวันตองตามจะบอกจสอนมาบอมมัลเกาเอ๋ยที่เจ้าบอมเอฟังมากระเทือบสู่คอสู่ตอนลูกหล่าเอ๋ยเดี๋ยวนี้แม่กะนับมือเถ่าแับมือแกมขํามเอ๋ยจักสิตายวันตายคือเมรัยแม่กะบัรูจักพราเจนันแม่ขอฝากที่ให้เจ้าเบิกให้เจ้าแล เลี้ยงแม่ให้ได้เลูกหลานเออบ่เป็นอย่างดอกแม่เออแม่นว่ามัามีกาสิแต่งการแต่งงามในลูกในผัวไปแล้วกะสิว่าถินบ่ป่าบ่ละบ่ไรเจ้าสี่เลี้ยงเจ้าจังหวัาใต้กับเขานากกับขาบุญละแม่ลูกหลาเอ้ยขั้นเจ้าจังสันแม่กะสิพ่อยดีอกดีใจกะสิเบื่อเกิดอยากลําบากย่ำเทาย่ำแก่กะหวังฝากฝีฝากไข่ให้เจ้าบึงเจ้าแร่ขั้นเจ้ารับปากแม่กสิกะเป็นตายกะตายตาลับตัวลูก เมื่อผู้เป็นมารดาได้อบรมสั่งสอนลูกทั้งสองแล้วสามแม่ลูกก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสําราญเบิกบานใจที่บ้านของตนก็มีนาการะครั้งนาคุณยมเวรหลังจากผู้เป็นแม่ได้อบรมสั่งสอนลูกทั้ทงสองระวังโศละตากรมมารีกาก็ได้ประพฤติปฏิบัติกับแม่ของตนเองด้วยดีตลอดมาอยู่ต่อมาก็มีเศรษฐีสองตระกูล ได้มาสู่ขอสามมาเลกาไปเป็นลูกสะพายตะกูลที่สองก็ได้มาขอเอาโซลตะไปเป็นลูกเผยหลังจากนั้นโซลตะมาเลกากระไรแต่งการแต่งงานเป็นฟังเป็นฟ้าผูเ้เ ป, เ, ปเป็นแม่กับพ่อยดีอกดีใจหลังจากศรีษนะณะอย่งางยากจนจนกับพ่อมูรุตตาอาปาขกือมาได้พอด่อว่ารัยดองกับเศรษฐีผู้เป็นแม่กัดีใจคุณนนมลเลยหลังจากแต่งการแต่งงานไปแล้วสองสามเดือนเปลี่ยนเขามา ายพอเ่าเม่าเถ่ากับเมียของโซลตะกะเลว่าสวยขันอยู่น้าเม่าบลับบือกะลาบากลาบนปัจจุบันพอเถ่าเม่าเถ่าบานแพ้งกัรุลาปลูกไหลตาสาดโอทอปขายน้ำมันยี่อบอสีบว่าทีวิทยวสันมาฟังเบิง์นโซลตะได้ยินพอเ่าเม่าเถ่ากับเมียวจังสันล่าสียุ่มบลบบือหรือสิปัจุบันแพงว่เบิกนาโสอ้วยบัดนี้จะกล่าวถึงโซลตะผู้เป็นลูกชาย อยู่ต่อมาโซละตาได้แต่งการแต่งงานอยู่มาวันหนึ่งโซละตาคิดอยากไปอยู่บ้านพ่อตาและแม่ยายพอได้โอกาสโซละตาจึงจะบอกามารดาของตนจึงออก เ, เอ่ยเผยวาจากับมารดาของตนขึ้นไปว่านี่แม่เอ้ยคือจังสี่รอกนี่แม่คือจังไหนลูลกล่าคือว่าเดี๋ยวนี่แม่เอ้ยขอยกมิขอดมิขอดแต่งการแต่งงานมาแล้ว ยุน่นเจ้านี่ยยุ่บอลระเบือนี่แม่เอ้อกับบะหมี่ดียัางขึ้นตั้งใจยิ่พอตายปากับา้าหอยปลูกตะ ม, มันแจวตะเผาสวัสดิค้ายไทประสันจอดน้ำมันท่ า, า, ท า, า, ท า, างกับบะขือนบานคือเมื่องเพลินขวัญก็เลยว่าสีไปอยบานพอเท่าไปโยบานแพงสันดอกเดียวหนึ่งน้ายยกจู่ตะพูมนั่นเพลินมาหลอกเบืองหลอกน้องเหลน า, าน่าบะมี่ก็เลยปลูกไหลเต็มบืองยุยแม่เอ้ยพอไปเห็นเรายังอุดมสมบูรณ์ขก็เลยอยากไปอยน้ำยามุนเจ้าาจังดสันดอก อัน ล, กลูกหล่าเ อ, อ้ยแม่กับวาจังสลับแม่กายไปทาง้งโคสูมบ้านแพงเห็นตัวขายสาสตร์ตออรอพัทรนหนทั้งโดยเฉพาะแม่ขอขายผายขึ้นนาขึ้นตาเดลอนลูกเ อ, อ้ยแพงกับบ่อแข้งอันเพิ่นปลูกไร่เตรียมบ้านเตรียมเมื่อแม่กะดีใจตัวโอ้ยเป็นสินค้าออกอย่างหนึ่งของบ้านแพงลูกหล่าอากัแม่กะดีอกดีใจคันตสิไปโยกปลูกไร่ตั้มาสารขายขึ้นมีแม่ขอกับแม่กะแหง ด, ดีใ จ, จปปตัะลูกพอเป็นยังดอกพี่แม่เอ้ยขั้นข่อไปโย่ปุนแล้ว ถ้าจะขายศาสตร์ใครยังผุนไปเมืองท่องท่านี่กระจกไปขายท้ายบานแท่งเปิดก็ไปเมื่อตัวผ่าอีสานถ้าจะจังไดจังนึงถ้าจะไปหางไปมีเหล่แม่เอ้ยขาเจ็มันมีขี้ใหญ่หม่อมือพกจะิมาหับเจ้าไปูน้ำสนดอกทีเมืองใดก็มิตรทีใหญ่หม่อมแม่ี่แม่จะาหจักบ่โอ้ยแม่กับบตรจักลูกลาเอ้ยันจังสันกับใพอได้อาสาอาศัยขันมันดับมาดีกับแม่เมย์ปต้าสาดน้าเกลือเด้อลูกก็เป็นยังดอกวัดเจ้าซอยเป็นตําแต่ลํามันก็ได้ร้ายด้วล่ะ กันยังว่าคันบ่ตามกันขายแตงแต่ล้ำตันล้ำขายก็ได้กัวลูกเอ้ยไปก็ดีละเมย์พ่อหามเมย์บ่บาจักเงยตัวลูก่าดีใจน้ำตัวลูก เป็นอย่างล่ะเมีเ้ยตื่นเศร้าขึ้นว่าวันนี้เปนโศกันอย่างกระไรเสือสรตาทางใจเศ้าแต่ขอแม่กระไโศอย่างดอกข้ามเฮ้ยพอเถ่าเมเถ่ากับเมียสุิตาวากันยูน้าเฮ้าบวรดูติดกระลบากลาบ่นแล้งแต่แล้งรับจ้างปลูกมันตะเผาขายเสือสิขายได้กับควักเกนมือสิงรุษสิขาดกับวิภู้อก็เลยอยากไปอยู่บ้านแพ้งตำาสาโอทอบขายปลูกไหลขายหล่อบุงมีตั้งแต่ไหลลูกหลา สุตานก็เรยว่าจกไปยุคพุ่นสันดอกไม่แยกขกับว่าเอื่อนไปกันที่หมายค๊อบบอกค๊อบว่าอ้สุลตานจังการจังงานแล้วว่ามาสร้างมาลาเจ้าว่าสิไปยุบันพระเทวแม่เทาวาสันทอจังซาเจ้าว่าจังใดฮะโอ้ยกะดีใจกะว่าหิไปลูกหล้าเอ้ยไอ้สุลตาไปกัมเนก็ลูกหล้าเจ้าไอ้สุลต่าไปแล้วก็ได้สีดูน้าเจ้า ไอ้ไปเจ้ากับผัวกับลุยเลี้ยงเม่ถึงตัลูกเอ้ยโอ้ยจังไปจังหวะจังสรรนอนมัณิกามุ่งหน้าไมตามมหาเจ้าบู้ดีกว่าศีมาลาเจ้าพึ่กันไม่น้อยีมาลาไปใส่ว่าสีลไปยุบบ้านลูกบ้านผัวบ้านผูบ้านหญาพู้เดิมศีไปจังไดข้ามเอ้ยกับเมีกับเคยเว้าสู่เจ้าฟังเรียวานี่เมียแถวเมียแกเจ้าเลี้ยงเจ้าเบิง กะแม่วังฝากผีฝากไขไว้น้ำเจ้าปนี่เจ้าสิไปจังได่ลูกกะสิว่าคืนน้ำเมติดลูกลาเมนไปยูจังสันกะว่าเมีนปาเมนปอยฉิ่นดีละเมียนว่าไปแล้วกะสิว่าเราลืมป่าสีเที่วไปเที่วมาโซงแกงเลงเสาเจ้าคือเกาคันเมื่อไหมันลีกามาแดมากกะสิไปใส่ไอโซลาตามาผัดเยนเยนหมนกันมากกะซำกันกับไปยูน้ำเจ้าคือเกาตัวนอเมนว่นว่าเป็นตัวเมีซสื่อิล่ลูกเม้ยในสิหากาตัวพอตัวเมียเจ้าขาส้างหาบอกหาว่าโนอ่นลูกหลาเอ้ย ธรรมดาลูกเต่าได้ดับได้ดีแล้วยอบปลปล่อยแม่ถิ่มแม่ก็เห็นตามออกที่นีโทรทัศน์เมือนข้ามเอ้ยมากมายกายของยานของเจ้าเป็ีนจังสันที่เบียดคือวงแหวี่เบียดที่บตดดีกลาจังสันต็ลูกหล่าพอเปลยนจังสันดอกแม่เอ้ยลูกทั้งสองบอเป็นจังสันดอกคุณงามความดีเจ้าเคยบอกเคยสอนมามัดหลยงขจได้จได้อยู่ในจิตในใจยบหลงบะลืมจับยาม่นสปาสปลยิ่มจังไหนนโอ้อันสิไปดูบ้านดูบ้านน่แม่นประยุทธ์น้ายาม่อมจลูก ทั้งบันเทิงคนลว่าอุดมสมบูรณ์ลำลุ้ยเพื่นหางเพ่นมีกับไปกับไปแต่ว่ามีข้อเม่ด้เป็นเมสหามเจ้าก็สิป่อยดแม่ก็เลสิบ่หามดอกลูกไปได้แต่ว่ามีข้อเมโอไปได้แต่ว่ามีข้อแมย์เจ้าอยากได้อย่างอยากได้หัวไม่ติดโอ้จะบอกแต่อายาได้เง้วหลายถอดเถาพนเสถไปอย่างลูกพอเง้วาหาก็ได้ก็สิไปหาเสมันบ่หางค้าบันแทงเขาดว่ายากรอมันกับมนก็มันดีกาบด้วยนะเมยลูกเต่านีจากหางจากยาวี่วเกาลูกเอาหัวก็ได้ย งูยากลางค่กลางคืนกับมีผผ้าหลับผานอนย่ำเก็บเก็็ดเินจังสีกับมีผูวข้าขง่หมันก็ดีประนันตอวนอจะเอาลูกลาจากอ้บ้านจากอ้เมื่อฝนเท่าแกฝนจักเสียไปยังเลยลูกลาเออจะได้ยังอันคําว่าเมวามีขอเมยต้ออยากได้นํานุกจังสีตัวลูกลาจังใดอยากได้คํามั่นสัญญาให้เมได้ปอสัญญาว้สัญญาวาไปแล้่วสีบ่อเราลืมปลาที่เที่ยวไปเที่ยวมาทรงแกงแรงเศร้าให้เมได้ปอจะได้ซ้านี้ซํานี้หละลูกเออลามาอยากได้ แน่นหนาแน่วหนาก็นี่เวียนแต่เพียเดียนกับดาวเมียเอเจ้าอยากไดยอ่หยั่งมัณฑะเลกาเขาไอโซลตาดีเสียน้ำทํำตามเบิดส่วนส่วนแน่สีภาษาหยังแต่สัญญามัณฑเลกาสีสาบานร้อมเตืมน้ำถุตอดดะเพื่อให้เม่มันโอกมันใจแนนบปตัวเนนอนสุไปิตัวจังเลยนอนทํำตามถูกสิงถูกย่างถึงสัญญาทึงสาบุสาบานมุนีดาบติแ่นเอามณเกาเอ้ยขั้นเจ้าวาจังสันแต่งแต่กีต่งแต่ก่อนเมกับบนเนรบาสิไปทั้งสองู่สองคน เจ้ากรสีไปไอ้กระสีไปถามไอ้ถามไส้เบิ้งเล่าสีไฮไปหรือใส่จู่ล่ะลูกแม่กับบ่าวได้ถามไ้ก็บอกก็มาสมณกาเนี่ว่าผู้นึงผู้เดียวเสียไ้โรลตวางน้าเออเออแต่ว่าเป็นอย่างดอกกันจังสันมณิกากระสีถามไอ้ถามไส้เบิ้งเล่าสิกาสัญญาสาบานคือมณิกาบอไอ้โซลต้าเอ้ยคุณพีอย่างมณีกาเนาะแต่ยินบอมณิกาบอกกับแม่ยู่ว่านึ แต่ยินแต่ยินอยู่เฉยๆ ก, กัาเหตุา ก, การณ์ทับ<อ>้บ่ป้าได้กกะเอ้ยคนว่าคนละบทคนละทิดาปราวาจะเป็นลูกยิ่งลูกใส้นองหล่าคนว่าให้ข้ามบันสัญญา ก, กับพอกับแม่แม่ป้าขาพอขาแม่ด้วยขอนด้วยอาบทสัตสิ่งต่างๆ ขาพ่อขาแม่โดยค้าเบาข้าจานนี่เนวามันเป็นบาปนักกรรมหนักเยมาติกานองรานุลาบุตรบุญลาิดาผู้ใดให้ข้ามันสัญญาต่อพ่อต่อเม่ไปแล้วกระเห็ดน้ำท่ำตามนี่ตายไปแล้วมันตกนรกหมกไปหรือยังมีมีวิจิวาอยู่นี่ไปค่าขายไงมื่ยังกะว่าจะเรื่อนเก้านาว่าติพุ่นผีเอ้ยขันห้องอยากเป็นจังสันห้องให้ข้ามันสัญญาสาบานต่อพ่แม่ไปแล้วเข้ากะเห็ดน้ำทำตามให้มันไดต่อน้ะมันกะจังพอเปลี่ยนเคื่องเป็นเบาเปนวาสัตว มาิกาเอ้ยผู้ใดก็จิตตังก่เหตุจะคือก็พ่อก็แม่จะคองจังสันแหละน่องหนาเอ้ยจะไปอย่ไปโดนๆสิมันยากไปหนามันอสิลงสิลืมไปจังสันก็มีไดมาติกาเอ้่าเป็นอย่างดอกขันมืออไเจ้ายากน้องว่ายากน้องก็สีมหา่แม่เองดอกหรือขันมือใดน้องยากเจ้าว่ายากก็ให้เจ้ามาผัดเียงเวียนหมุนกันมาสันตนาโอวว่าจเว่าวหอเนมาริกา บอยยากมาดิกาเกิดิตเที่ยวมาเยี่ยมมายามีแม่เข้าผัดเปียนกันมาบะแม่นองหลาแมนมาดิกาเอ้ยขั้นเจ้าบ่อยจังสันไอกระบองกับใจน้านองหลาเอ้ยขั้นเจ้าฉีบถิมีแม่เข้าอเกิดฉีบดถิมมีแม่เขาจังสันเข้าบอกกันถึกคอถกตรองซี่อกิสกาอยู่มาดิกาเอ้เอาขันเจ้าจังสันบ่าจังสันกัสาซื่เม่เข้าฟังสะคุณพีเอ้ยน้องกั้นเาป็นผู้บานนําคนตอนตอนเอาบอกซื่แม่ฟังสะุนพี เนีเมบัดเนีเมื่อนานโจรตาวสาวสีปองเลื่องจำปูโยกเอาเข้าของกันเนื้อตอนฮเออยกเอาขาของคู่ตอนตอนมันดดาคอยได้เลี้ยงดอกเปียงเข่าขาหนำนม เออเปิ้นเลียงยากจนสิรมหนักบ่อจมแม่ทนหนาฮะมาดิการเออโอ้ยมาดิการเออปอแมวเาเลียงเอามาด้วยความมากควายตอนอม่อดอกทอมตัวหอมฮะน้ำหนาวคุม้มแพ้ผางฮะเพื่อนในนาเออ โอ้ยน้ำหนาวแม่เหาคุ้มแพ่ผ่านฮะพนได้นาแม่เหาหากันมาห่มอีนางเอ้ยน้ำหั้ล่มผัดตัองหนาวาบ้านดอกสันสฮเอสัว่วดีแม่บ่หายเลี้ยงจนใหญ่ให้มีสุขดอกนางเอ้ยเดี๋ยวดีเหาสนุกบนความทุกข์ พ่อแม่เอาดอกมาแล้วฮะบัดนี้นึกโอ้ยมาดิกาเอ้ยน้องลามฮะเดี๋ยวนี้เดือเอาที่ไก่มันนาไปตะคุณของเมียก่อนฮะว่าคุณแม่เอ love oh. โอ้ยว่าคุณแม่เอ้ยแม่ฮลูกผู้ไปสีบ่อยแม่เดือดร้อนถึงท่านแม่เจ้าความฮคุณแม่เอ้ยแม่เจ้าบ่ตรองเดือดร้อนทั้งผาพรไก่อาหารดอกแม่เอ้ยตัล่ตาลูกได้จรินจริงได้ดีดีดีจะมาตอบแทนพระคุณแก้าฮแนวได้ดีลูกทีหากันมาให้ฮแนวได้แม่คอยสนใจเงินนาได้ ข่กะสิทรงดอกแม่เอ้ยเงินไข่มีกะเจียวมาใส่ถุงให้มันดาไข่ใส่มันดาให้ดอกทูกวนันฮะคุณแม่เอ้ยแม่เจ้าพอตรองโจ ก, การที่ั่นวันในมีสุขดอกแม่เอ้ย ดแตแลตาคอยสิบันเท่าความถูกพ่อแม่ตนในหมดเกียงฮะเหลืองเป็นเหลืองบ่อเป็นสิวแพ่ปึ็นลาเอ้ยโอ้ยคุณแม่เอ้ยแม่ฮะ เรื่องเป็นเรื่องบ่เป็นสิวแพร่ผื่นไหลปู ก, กันดอกแม่เอ้ยว่ามุ่งใหม่ลูกนี่ขอสาบานันยกใสหัว่าลูกไวมันได้จ่อยเสือคำมาคำได้ลูกเเ้านา้มเบาน้ำน้ำบ่ลืมลงดอกแม่เอ้ยเ อ, เ อ, เ อ, เ อ, เอ้ยโสดาลูกจ ย, ย้มตรงหอยจอมโกด พอเม็ดงาค่อยขา ย, ยนฮบาดย้ำตายยาให้ดินค่อยทุ่มนาฮหฮาลูกเพียสัญญาเจ้าเอ้ยให้กาแห้งค่อยลากแก้ปุ่นละเรืออ่อยแม่ฮถ้าค่อยลืมคำแม่ก็ปุ่คว้มเดือดร้อนดอกไปหนาย่าจันลืมแม่เอ้ เอ้ยแม่ฮไปทางใดให้หมู่คนไทยบานแพ้งป่นได้เอือนว่ามาหรือแม่เคยจินนนมปุ่นละเดือให้ตกตมตกทานฝากอบายบคอยพุมพื่นลูกบวเฟื่นหัน ก, าก้าขอบูชายกขึ้นใสโอ้โโอ้ยแม่เอ้ยแม่ไข่จิ้บูาชาเจ้าสุดหัวใจขอเลี้ยงแม่ตลอดเท่าตื้อไข่เราก้ไตฮะแม่เอ้ยแม เจ้าคงเห็นดีตลอดไข่ลูกใส่แม่ขอจำจดอีกแม่เอ้ยที่เสือ้อคำมานาบ่าฟ้าฟื้นยขึ้นเดิมฮถือว่ามีบุญโลนบุญเหลือตนที่่อยมีแม่อีกแม่เอ้ยคุณแม่เอ้ยแม่ เจ้านี่แหละแจ้มูคอยลูกปลุกลูกใส่เจ้าตื่นขึ้นจนมาได้ดอกลูกเมียแม่อ้ยแม่ลูกเบาเบายืดเยื่อเสื้อลูกโลดจุนหวัวดอกแม่เอึยเอ้ยอียอ้ยอึ้อ้ยเจ้าอยากก่ากลัวว่าเจ้าสิปิดฟังนะ และแม่อื้ยแม่เจ้าอยากกวัวว่าที่ปิดวังลูกบ่ลืมประคุณแทนฮพอแม่ลงไว้ตรงนี้คำจัญญาให้เจ้แม่ไม่ยื้อขอจตยาติพี่น้องติดตามเรื่องไ้ต่อไปฮะเอือกล้ตัวใดมันจไิไรขันจริงหรือเศ้าคันอาจรต่จันลีโนปากบอมีสีคันดานฮะ ปีนาพ่วงไปอาปีปาปนาพ่วมไก่หมาอีกบดุนดอกเดรอพอีกบดุนดอกเดรอแม่คงจินบอนบานโอ้โ อ, โ อ, โอได้ลงฟังหรืออ้อมแจงสิ้งวหยบ่ว่าลายแม่ยาจ ทั้งทางจะลื้อเพื่อความจริงให้เห็นทางก็จางข้าให้ทันเชเปรงหุ่น ผ้าทั่วเปิดอนประตูเผยหน้าต่างเบาตามขอนเดินตามทางย่างตามที่ถือต้องให้คนย่องจางคอยดียงเหตุไปตามน้าที่คืน หนึ่งเลี้ยงอันดาบดับเจ้ากุกไปหาไปหนึ่งสองดอกทองเทาแปดเกายิบยิบเปีเกปยกน เอาสายเมลียงมาชวนวันใหญ่ข้าว่าส่วนยัดใจบางดอกขังทอจังคอยดียขามบัวล้านเพื่อนเก้าเสีดีกับตัวมานำข้าคือจังันกับบุวยซอยกันตาม อ่านว่าสามกับหัวพนกันมันบเบื่อเสือกับบอนสาตวก่อมขันเปลือกหวดอกหัวเคียงนังลูต่างเพื เลี้ยงทั้งแต่ก่อนนอนกูเมื่อหัวอกลูกกินนมแม่ทำคื้นแม่ทนกันเมื่องสาร์อยู่เชียงไก่องค์พาทามอยู่เียมม่นั่นคือสองดอกแม่พอถือเป็ี่นพรมเทบไทยจนหาได้ดอกใหญ่มา ละคอุนเกิดมาใจลุ่มฝาจะต้องเพืงดอกพิงพากเพื่อนเลี้ยงมาด้วยความรักบ่ปล่อยไาตห้ต่อเอยนะซอยเลี้ยงดูซอยกันคำกันเนียมนำบ่ได้หลยฮักลูกเต่าจนว่าตายลูกยิง้าฮิตใดบ่ช้างย่อย หนอนเรียกวาพุ้นนังซวนลูกเต่าจนวาหมู่หมาถึงที่ลักใจเบิดทั้งใจทั้งใจนั bờ thang c ầ i thang chạy đầy bò v i ê trên m ù hoan xu hoan và mãn li c ả nổi sao sù pha lu cà mía có s ậ n giá khá thiền, mưa cà kềm n á p t ế mưa c h ạ c bàn tiếp chân giặc vô b ò s a เสียเียงเมจุนหัวเทาบ่เนืกว่าเสีังฟ้าขอทําดีกับมันไดาสิลีอเกินจากความชั่วังป้ายน้ำผัวเสียเพียงแรงส่วนจิตใจอยู่น้ำเมื สีเทาสิเก้อลูกบ่ได้เือดลอนคันความตอนว่าเครื่องเกลียนฮันนังตัวบาดสิตายให้นางดาวดาวดียวปวดเตะปากบ่ทำตามฮู้มา อันด่าบ่อเลยป่าให้เสือนางยาใจน้อยละขอใดูไปสิจิงบ่อให้หาขอหลดพตัใหญ่ถ้าถามชัวกันลุไปจาองมีสุเกิดเมจเจ้ากันใหญ่เท่าผูวอยู่คอให้ ให้คนเตียงดาปล่อยห้องดาหมูมหาคาเบืองเดือกันนั่งเป็นให้ผาลุงหลดเดือฟ้างให้เป็ี่นมาจินขี้เป็นผีบ่มีญาติให้ขาดปลาขาดลูกคนพวกเพี่ยนบ่ต้องเว้าให้ชาวบ้านบ่นับเทือง ให้มีทุกข์เหมือนตืิมเจนโกด้านต่างใจว่ามีคนฟังถัดน่าใส่วนสาธุชุลจุมจำมันคำสัญญาคนจากเมียพอเวินลง อยยุสูงมืดนมืบางเดียดป้อจ่าบนฝ้าป่อแจ่มใสมัวลูกข้าป้าหมยสัตว์นอยที่ไหนดุงดอนดอกซอกซ้อนนาเจียนเพื่อป่าต่างย่างตองสา์อยู่ในหวนองลูกข้าบนฝ้ายอนละ สูกกาบตูดดร้อนมันมีเท่รังการคือว่าดอกดอกนี้นั่นนู้นมันบ่ยังจีรังการมีป้อนนั่งร่างกายแหลกสลายคือตายเย็นบ่เคยเดือดร้อนอยู่ตั้งเฝาหมุนเวียนไป เยลเมย์ยูเรตึงป่าใสสว่างบ่มีวนนับปามือเราใสซองแจงวันนากระซ่องพ่พัวเป็นเมลว่าใจ เป็นลูกเฝ้าเลีนผู้ฟังผีจีตบอเสื้อตั้งใจฟังตั้งลายเธอเป็นความจริงไว้ต่อว่าเล่นนั่นบ่มียน้เปลี่ยนเมียนลับเกือบเม็นลูกเม สราตาบกยิแม่ทไมับเป็นยังหนาหะาข้าเจียวตำมากบาหวานชอกที่ไดเพียเจ้เป็นยังเจ้าเปียงแม่คือเป็นตางเก่าตางหลังแต่ละลูกตาเสมียนเบืองซายใหญ่มาใสเบืองหัวคนหัวลูกตัวกายมารดาเจ้า เป็นคือจังพวกเจ้าสิทิ่มสิปายเมีอยู่คนหนึ่งคนเดียวตกหมกตกใจใจวีใจวตอนจะ้เจ้ากระไดน้อสิถิ่มสิปาจังไดอยากได้ข้ามันสัญญาลูกกันยังไงไรอยู่เสียวซ้ำได้อีกเตอเป่เมียเอบเป็นลู ็จดีๆงามๆไป้เป <L slate S 1> ี่ยเจ้าสีห้องสีหายเฮ็ดอย่างลูกก่ได้ไปลลมไปไตไปห่างไปมี่ไปเป็นเสี่ยทีหัวตัวไว้ดพา ดีดีเมื่อเคยว่าวาอาสันโขนาลเคยอลูกทั้งสองได้เป็ี่นมัวคำเรีงมาเคยปากว่าได้เอาเมา่อสุด แม่ว<S 々>่าลูกไปยุบนแล้วกะสิหามาสู่โยสู่จิตทุกข์วัดเอ้าสาวห้องสาวหายสรุปแล้วไปเห็นกินไปได้ลูกสาวไปลูกชายหดีมวเมจันทิมาหุ่นนามตา จงวิ่งตะหงอนตะไห้ก็ว่าอยากให้มาแต่มากไปเพิ่งเลยแม่เอ้ยเข้าใจอยู่บ้างมาบ่จากหืนบ่จากนางฟังคำบาของลูกแล้วมันเป็นเปรวอยู่บางใจ ไม่ขอไปแล้วไม่ขกะสิเที่ยวมาเยี่ยมมาเยียมเจ้าคือกาลแน่เจ้า็ต้องห้องต้องกอย่างดอกเฮียังบอดเสื้อสนิจใจบาดยามไปคงลืมลงอดป้าดุงสิลืมจอยก็ลืมดอกสิเที่ยวกลับไปกลับมายี่ยมถามเข้าก็ยังสัญญาไว้หลอกเมีคอยตยามสา เทเงีาบเลียวอดยาบายควยมือเามือสายคงสีดอยจอยบัดยหลวสีนเมียหาดเป็นลจังซน อ <othe> ตัวยังมาตรมทีลูกชายกี่ยวยิงสามหมากไม้ตีนทองบ้าไปเมียขั้นสุกเลวอย่าลืมคุกของแก้วเมีอย่าลืมยายผู้เต่าแก่นั่งรอคอยอยู่บ้าน หาเกีียวกับเป้าได้ยาล้มเกลยดอกกีรนยเ่ยลูกเลื้มแม่บ่อแล้วใจบ่อตงก้อนากไม้ก็เลยเลียวลูกข้า ลูกรำแกวคุณหวะหองแกวมียลูกทั้งสองมึงเมียยาสับปะยาทิวาอยู่ถึงข้างดังปากเปน ลูกทั้งซอลูแจงทั้งหอซอ้กปายลูกยิ่งใจก็คือกาให้มันมาตันยามเยียเบิ่งโทรทัศน์กับเบิ่งแต่องสามเบิ่งแต่วงเวียนชีวิตตัวันไม่ิดตยังมีเมียเมียกูว่าเบิ่งสองเสียแดงก่อนนะบัง ได้หมดเล่าเบื้องต่องเสีเยแดวเล่าแต่หอดเหล็กของตัว เ, วเวบื้งองต่างเสียแดด เจอไปดีเมกะดีใจด้วยขอไว้พ่อในสองเจ้าทั้งสองกมสองฝายสุขสบายด้วยหลุกลาไปเรให้ตา ม, ม่าดังข้ามมัทธัญญาญาทิมยาบะญ า, าลาไล่จะหลอกจะตัวเมียดูเออพอเป็นอย่างหลอกแมียเออเสือหมกเสือใจโหลดนั่งกับไอ้บ่อเลี้ยวข้ามหนึ่งบอมีสองขอหลับร่องโดยสักสีเสือวามันบีการี เป็นจ้างได้ก็ตามแเอียดูกทั้งสองกับบอป้าบอปวายเจ้าทีมเจ้ากับบาตองโต๊ะมกตกใจดอกแม่ คุณโย่อมเบยเป็นจังไหด้ปูฟั่งเหลืองการเทศเสียงประยุกใหม่ในนท่าน่าเลียงไกลแต่บอมีโตขันท่านหัวจักแล้วบอเป็นอย่างนอดจังบ่อขันจากมือนันจนมาหอดมือนีสองนองพีเคยไปม้าทรงอาหารปูป่าเพียนกันมากคือเบาจันเทีมาไม่ย่ไเท่าดีใจจังลูกว่าอยู่ต่อมาวาดาสนาวาดศรีปัิเกิดไายถึงตอนไทยปัดเหล่าแมง ว่าสีทวมปัดเกิดแรงลูกป้าแดงถ้ำตามนำเล่ยไก่เป็นต่มฝาดข่มไก่เป็นเปียวเดี๋ยวนี้จันทีมาเม่ยไยเ่าไดเศร้าหาคือแบ่งงี้ไดไหลเดือนไก่เป็นปีลูกป่ามาลำเยี่ยมแม่งข้องไดกะเป่าได้เขีต่อสองนองไอกะว่างเป่าเล่าเลยอุ๊ลูกไปเป็นคือลูกย้ายพงหวันหว่นอยู่คือบาปเปียสนาพ่วงเสียเผยออกอาเ่าแมจันทีมาอดรองเราออกเอ้ย เผยควานสมบานโศกเสาหายโน้มเจ้าเพลินรับฟังบึงกวนา